ทุกขวักหมวดว่าด้วยทุกหนึ่งปริวีมังสนะสูตรว่าด้วยการพิจารณาข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณบบิกะเกษตีเขกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกพิสูจน์ทั้งหลายมาตรัสว่า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 มีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวโรกาสเฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งภาษิท์นั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจากทรงจําไว้ถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรัสนองพระดารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อพิจารณาเย่อมพิจารณาว่าชาาและมรณะนี้ใดมีทุกข์หลายอย่างนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในโลกชาาและมรณะที่เป็นทุกข์นี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเนอ เมื่ออะไรมีชาราและมรณะจึงมีเมื่ออะไรไม่มีชาราและมรณะจึงไม่มี <_' n ate> เธอพิจารณาอยู่จึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าชาราและมรณะนี้ใดมีทุกหลายอย่างนับมิถวนเกิดขึ้นในโลกทุกนี้มีชาติเป็นเหตุมีชาติเป็นเหตุเกิดมีชาติเป็นกาเนิดมีชาติเป็นแดนเกิดเมื่อชาติมีชาราและมรณะจึงมี เมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเธอรู้ชัดชราและมรณะรู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะรู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะรู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะและเธอเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรมเราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์ เพื่อความดับแห่งชราและมรณะโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าชาตินี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีชาติจึงมีเมื่ออะไรไม่มีชาติจึงไม่มีเธอพิจารณาอยู่จึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าชาติมีพบเป็นเหตุ มีภพเป็นเหตุเกิดมีพบเป็นกำเนิดมีพบเป็นแดนเกิดเมื่อพบมีชาติจึงมีเมื่อพบไม่มีชาติจึงไม่มีเธอรู้ชัดชาติรู้ชัดความเกิดแห่งชาติรู้ชัดความดับแห่งชาติรู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งชาติและเธอผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรม เราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับชาติโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าภพนี้มีอะไรเป็นเหตุละถึงอุปาทานนี้มีอะไรเป็นเหตุตัณหานี้มีอะไรเป็นเหตุเวทนานี้มีอะไรเป็นเหตุผัสสนี้มีอะไรเป็นเหตุ สลายตนณนี้มีอะไรเป็นเหตุนามรูปนี้มีอะไรเป็นเหตุวิญญาณ น, น, นี้มีอะไรเป็นเหตุอีกประการหนึ่งภิกษุเมือ่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าสังขารเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีสังขารทั้งหลายจึงมีเมื่ออะไรไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มี เธอพิจารณาอยู่จึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าสังขารทั้งหลายมีอวิชาเป็นเหตุมีอวิชาเป็นเหตุเกิดมีอวิชาเป็นกำเนิดมีอวิชาเป็นแดนเกิดเมื่ออวิชามีสังขารทั้งหลายจึงมีเมื่ออวิชาไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีภิกษุนั้นรู้ชัดสังขารทั้งหลายจึงรู้ชัดความเกิดแห่งสังขารรู้ชัดความดับแห่งสังขาร รู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารและเธอผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรมภิกษุทั้งหลายเราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับแห่งสังขารโดยชอบทุกประการบุรุษบุคคลนี้ตกอยู่ในอวิชชาถ้าสังขารที่เป็นบุญปรุงแต่ง วิญญาณก็ประกอบด้วยบุญถ้าสังขารที่เป็นบาปปรุงแต่งวิญญาณก็ประกอบด้วยบาปถ้าสังขารท <durable> <crew> claro ี่เป็นอเนชาปรุงแต่งวิญญาณก็ประกอบด้วยอเนชาในการใดภิกษุละอวิชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นในการนั้นภิกษุนั้นก็ไม่ปรุงแต่งปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารและอเนชาพิสังขาร เพราะกําจัดอวิชชาได้เพราะมีวิชาเกิดขึ้นเมื่อไม่ปรุงแต่งไม่จงใจก็ไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุ้งกลัวเมื่อไม่สะดุ้งกลัวก็ปรินิพานเฉพาะตนรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป ถ้าภิกษุนั้นส่วยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอสวยอุทุคมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่า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 ภิกษุนั้นเมื่อสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราสวยเวทนาที่มีกายเป็นที่สุดเมื่อสวยเวทนาที่มีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราสวยเวทนาที่มีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดว่าหลังจากตายแล้วการสวยอารมณ์ทั้งหมดไม่น่าเพลิเพลินจากเย็นจากเหลืออยู่เพียงสรรธาตุในโลกนี้เท่านั้น เปรียบเหมือนบุรุษยกหม้อที่ร้อนออกจากเตาเผาหม้อวางบนพื้นที่ราบไออุ่นที่หม้อนั้นพึงหายไปหรืออยู่เพียงกระเบื้องหม้อเท่านั้นอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นภิกษุเมื่อเสวยเวทนาที่มีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่มีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนาที่มีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่า เราสวยเวทนาที่มีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดว่าหลังจากตายแล้วการสวยอารมณ์ทั้งหมดไม่น่าเพลิดเพลินจากเย็นจากเหลืออยู่เพียงสรีระธาตุในโลกนี้เท่านั้นเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุผู้ขี่นาศพึ่งปรุงแต่งบุญญาพิสังขารบุญญาพิสังขารอเนชาพิสังขารบ้างหรือ ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าอีกอย่างหนึ่งเมื่อสังขารทั้งหลายไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะสังขารดับวิญญาณพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าอีกอย่างหนึ่งเมื่อวิญญาณไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะวิญญาณดับนามรูปพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่า อีกอย่างหนึ่งเมื่อนามรูปไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะนามรูปดับสลายตนะพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าอีกอย่างหนึ่งเมื่อสลายตนะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะสลายตนะดับผัสสะพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าอีกอย่างหนึ่งเมื่อผัสสะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะผัสสะดับ เวทนาพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อเวทนาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะเวทนาดับตันหาพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อตันหาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะตันหาดับอุปาทานพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ อีกอย่างหนึ่งเมื่ออุปาทานไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะอุปาทานดับพบพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื eh. ่อพบไม่มีโดยประการทั <hygiene> ้งปวงเพราะพบดับชาติพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะชาติดับชราและมรณะพึงปรากฏหรือ ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงสำคัญจงเชื่อน้อมใจเชื่อข้อความนั้นอย่างนั้นเถิดจงหมดความเคลือบแคลงสงสัยในข้อนั้นเถิดนั่นแลเคที่สุดแห่งทุกข์ปริวีมังสนสูตรที่หนึ่งจบ 2. อ, อุปาทานสูตรว่าด้วยความยึดมั่นถือมั่นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนือ ง, เนองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตันหาย่อมเจริญเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมี เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัตและอุปาญาต จ, จึงมี <c oughs> ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการฉนี้เ <c oughs> ปรียบเหมือนกองไฟใหญ่ที่สุมด้วยไม้สิบเล่มเควียนบ้างยี่สิบเล่มเกวียนบ้างสาสิบเล่มเกวียนบ้าง สีเล่มเกวียนบ้างพึงลุกโผงบุรุษใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งและไม้แห้งเข้าไปในกองไฟนั้นทุกๆุกระยะก็เมื่อเป็นอย่างนี้กองไฟใหญ่นั้นได้อาหารอย่างนั้นได้เชื้ออย่างนั้นพึงลุกโผล่ตลอดกาลนานอุปมาณ้ฉันใดอุปไมย ก, ก็ฉันนั้น เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนือ ง, งในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตันหาย่อมเจริญเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนิษเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนือ ง, งในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตันหาย่อมดับเพราะตันหาดับ อุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพบจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะบริเทวะทุกข์โทมานต์และอุปาญา จ, จึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนกองไฟใหญ่ที่สุมด้วยไม้สิบเล่มเกวียนบ้างยี่สิบเล่มเกวียนบ้าง ส0เล่มเกวียนบ้างสี่สิบเล่มเกวียนบ้างพึงลุกโผงบุรุษไม่ใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งและไม้แห้งเข้าไปในกองไฟนั้นทุกทกระยะก็เมื่อเป็นอย่างนี้กองไฟใหญ่นั้นไม่ได้อาหารอย่างนั้นไม่ได้เชื้ออย่างนั้นพึงดับไปเพราะสิ้นเชื้อเก่าและไม่เติมเชื้อใหม่อุปมาณ้ฉันใดอุปไมค้อฉันนั้น เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษหนึ่งเนืองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตันหาย่อมดับเพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับและถึงความดับแผงกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการศนี้อุปาทานสูตรที่สองจบ สังโยชนะสูตรว่าด้วยสังโยชยย น, น์พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เคกระรวงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนือ ง, งในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ตันหาย่อมเจริญเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมี เพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุบายาจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการฉนี้เปรียบเหมือนประทีปน้ำมันพึงติดไฟได้ก็เพราะอาศัยน้ำมันและไส้บุรุษเติมน้ำมันและใส่ไส้ในประทีปน้ำมันนั้นทุกๆระยะเมื่อเป็นอย่างนี้ ประทีบน้ำมันนั้นได้อาหารอย่างนั้นได้เชื้ออย่างนั้นพึงลุกโผล่ตลอดกาลนานอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชนหาย่อมเจริญฉันนั้นเหมือนกันเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมี เพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัตและอุปาญาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษหนึ่ ง, นงในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชนหาย่อมดับเพราะตัณหาย่อมดับอุปาทานจึงดับ เพราะอุปทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโซกะบริเทวะทุกข์โทมนัสและอุบายา จ, จึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนิภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันพึ่งติดไฟได้ก็เพราะอาศัยน้ำมันและไส บุรุษไม่เติมน้ำมันและไม่ใส่ไส้ในประทีปน้ำมันนั้นทุกๆระยะเมื่อเป็นอย่างนี้ประทีปน้ำมันนั้นไม่ได้อาหารอย่างนั้นไม่ได้เชื้ออย่างนั้นพึงดับไปเพราะสิ้นเชื้อเก่าและไม่เติมเชื้อใหม่อุปมานิฉันใดอุปไหมก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษหนึ่ ง, นงในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชนาย่อมดับ เพราะตัญหาดับอุปทานจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการฉนี้สังโยชนะสูตรที่สจบ พิยสังโยชนะสูตรว่าด้วยสังโยชตสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เคกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันพึ่งติดไฟได้ก็เพราะอาศัยน้ำมันและไส้บุรุษเติมน้ำมันและใส่ไส้ในประทีปน้ำมันนั้นทุกๆุกระยะเมื่อเป็นอย่างนี้ ประทีบน้ำมันนั้นได้อาหารอย่างนั้นได้เชื้ออย่างนั้นพึงลุกโผลงตลอดกาลนานอุปมาณิชันใดอุปไมค้อฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนือ ง, เนองในธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ตัญหาย่อมเจริญเพราะตัญหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีและถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้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 เมือ่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษหนึ่งเนืองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยช์ตันหาย่อมดับเพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับและถึงความดับแผงกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการฉน้ทุติยสังโยชนะสูตรที่สจบ ตรสูว่าด้วยต้นไม้ใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เคกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเ ห, หนื่งในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมี ละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากอย่างลงและแผ่ขยายไปรอบรอบรากทั้งหมดนั้นย่อมดูดอาหารขึ้นไปข้างบนเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นได้อาหารอย่างนั้นได้สารอย่างนั้นพึงยืนต้นอยู่ได้ตลอดกาลนานอุปมาณ้ฉันใดอุปไมคขันนั้น เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจหนึ่งในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตันหาย่อมเจริญเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีและถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษหนึ่งในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทาน ตันหาย่อมดับเพราะตันหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพบจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการรัชนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่อย่างนั้นทีนั้นบุรุษถือจอบและตะกร้าเดินมาตัดต้นไม้ที่โขนต้นแล้วขุดลงไปครั้นขุดลงไปแล้ว ก็ถอนรากใหญ่น้อยโดยที่สุดแม้เท่าก้านแฝกขึ้นบุรุษนั้นพึงตัดต้นไม้นั้นเป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่แล้วพึงผ่าครั้นผ่าแล้วทําให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเกลี่ยพึงลมพึงแดดครั้นพึงลมพึงแดดแล้วเอาไฟเผาครั้นเอาไฟเผาแล้วทําให้เป็นขมเหลวครั้นทําให้เป็นขมเหลวแล้วพึงโปรยที่ลมแรงหรือ ลอยในแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นถูกตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อุปมาใิฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อพิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตันหาย่อมดับ เพราะตัญหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพบจึงดับและถึงความดับแผงคลองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการฉนี้มหารุกษตรที่หจบ ทุติยมหารุกสูตรว่าด้วยต้นไม้ใหญ่สูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากอย่างลงและแผ่ขยายไปรอบๆ ร, รากทั้งหมดนั้นย่อมดูดอาหารขึ้นไปข้างบนเมื่อเป็นอย่างนี้ ต้นไม้ใหญ่นั้นได้อาหารอย่างนั้นได้สารอย่างนั้นพึงยืนต้นอยู่ได้ตลอดกาลนานอุปมาณิฉันใดอุปไหม้ก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเ น, อเนืองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปทานตันหาย่อมเจริญเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีละถึง ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนิภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่อย่างนั้นทีนั้นบุรุษถือจอบและตะกร้าเดินมาตัดต้นไม้ที่โคนต้นแล้วขุดลงไปครั้นขุดลงไปแล้วก็ถอนรากใหญ่น้อยแม้เท่าก้านแฝกขึ้นและถึงหรือลอยในแม่น้ำที่มีกระแสชีว่ว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 ความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ทุติยะมหารุกูตรที่6จบเจ็ดตรุณรุกขสูตรว่าด้วยต้นไม้อ่อน พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยต์ตันหาย่อมเจริญเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีและถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี เปรียบเหมือนต้นไม้อ่อนยืนต้นอยู่อย่างนั้นบุรุษพึงถนอมรากพรวนดินรดน้าสม่ำเสมอเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้อ่อนนั้นได้อาหารอย่างนั้นได้สารอย่างนั้นพึงถึงความเจริญงอกงามไพบู์อุปมาณนี้ฉันใดอุปไมย ก, ก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนือ ง, งในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์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 มีได้ด้วยประการะฉนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้อ่อนยืนต้นอยู่อย่างนั้นทีนั้นบุรุษถือจอบและตะกร้าเดินมาละถึงหรือลอยในแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้อ่อนนั้นถูกตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทาให้ไม่มี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 เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนือ ง, งในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชนามรูปย่อมอย่างลงเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตณะจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนนี้เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนือ ง, งในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชนามรูปย่อมไม่อย่างลง เพราะนามรูปดับชลายตาณะจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประกาะชนีภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่อย่างนั้นทีนั้นบุรุษถือจอบและตะกร้าเดินมาละถึงเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อุปมาณิฉันใดอุปไมข้อฉันนั้นเมื่อภิกษุ พิจารณาเห็นโทษหนึ่งเนืองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชนามรูปย่อมไม่อย่างลงเพราะนามรูปดับสลายตนะณะจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้นามรูปรสูตรที่8จบ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 มีได้ด้วยประการชน้เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษหนึ่งเนืองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์วิญญาณย่อมไม่อย่างลงเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่อย่างนั้นทีนั้นบุรุษถือจอบและตะกร้าเดินมา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 นิธานสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นต้นเหตุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคมของชาวกุรุชื่อว่ากรมมาสธรรมะแคว้นกุรุครั้งนั้นท่านพระอาณน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรเดียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอาัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึง้งแต่ถึงอย่างนั้นก็ปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนกับว่าเป็นธรรมง่ายๆพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนนอย่าพูดอย่างนั้นอานน์อย่าพูดอย่างนั้นปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึง้งสุดจะคาดคะเนดได้ ก็เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่บรรลุธรรมนี้หมู่สัตว์จึงยุ่งเหมือนขอดได้ของช่างหูเป็นปมนุงงนังเหมือนกระจุกได้เหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องไม่ข้ามพ้นอบายทุกติวินิบาตสงสารเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจหนึ่งเนืองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมเจริญ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 เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากอย่างลงและแผ่ขยายไปรอบๆ ร, รากทั้งหมดนั้นดูดอาหารขึ้นไปข้างบนเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นได้อาหารอย่างนั้นได้สารอย่างนั้นพึงยืนต้นอยู่ได้ตลอดกาลนานอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยข้อฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจรารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทาน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 เพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราโมรณะโสกะบริเทวะทุกข์โทมนัสและอุบายา จ, จึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการฉนี้นิทานสูตรที่ส0จบทุกขวัตรที่6จบ